ถ้าพวกเราเป็นประเภทภาษารีบุรแสดงแต่เนื้อหาพราสิจิแสดงเฉพาะเหตุกับผลเท่านั้นท่านเข้าใจท่านรู้เรื่องใจท่านสว่างหัวใจท่านสว่างมันประเภทปกติตันอยูประเภทคิปลาพิญญา ฟังดยเหตุด้วยผลจากใครก็ได้บรรลุได้ไม่จำเป็นจะต้องฟังจากพระศาสดาสารีบุตร น, นะได้ดงตาเห็นธรรมแล้วไปเล่าให้โมคลานัฟังโมคลานะักงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดจัรบระดับปกติตันยวิปปิตันยุเนยยะปะทะปรมัต ระดับของหัวใจของเราแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบทบาสามารถมาต่อยอดให้กับได้กับทุกคนพระทัพรรมะถ้สนใจเข้ามาต่อยอดได้เนยยะเข้ามาต่อยอดได้วิปปิตัญยูเสมอน้ำบัวเสมอน้าก็ต่อยอดได้ปกติตัญยูพนน้ําแล้วก็ ต่อยอดได้ธรรมะของพุทธิจ่าไม่เสียประโยชน์สหรับใครขอให้่างตั้งใจฟังหากใครมีมีภูมิหลังสูงต่ำขนาดไหนธรรมะของพุทธิจ่าเป็นต่อยอดได้ทุกยอดอยง น, นท่าน <c oughs> วันนี้ผนให้เทียนก่อนสิบห้านาทียี่สิบนาทีเทศยนเริ่เป็นลม ผมข้าวต้มแกงยังไม่สุกอะไรเลยธรรมะยิ่งเป็นของยากกว่าจะรู้จักรสชาติอะไรคือรสอะไรคือชาติออกมาจากอะไรตรงไหนไม่รู้จักไม่รู้เรื่องจะเข้าใจได้ยังไถ้าเป็นประเภทภาษาริบฟังจากฟังจากพระอรหันต์พระสิชิตถ้ากับเปึ้งเดียวนะรออัานข้งใจนะ มือใจของใครต่อยอดเรานักโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสมัยสมุทัสสัตนักโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสมัยสมุทัสสันักโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสมัยสมุทัสสัตสังขาราประมาณค้า <c oughs> ตั้งใจฟังจิตของเราที่ถ้าบอกตั้งใจฟังก็เป็นกองสังขารเราทำความรู้จักกองสังขารโดยวัคาารูบายาถ้าอยากเผยรวิดีโอนี่ก็คือกองสังขารที่นอนนิ่งอยู่บน ที น, นั่นก็คือกองสังขารที่เป็นส่วนรูปถ้าเมื่อจิตของท่านบร<ม>ิสุทธิ์หมดจดแล้วชักล้างจนเหลือนหนึ่งเดียวแล้วหมดสภาพฟังเป็นกองสังขารแต่ถ้าหชักล้างอย่างไม้หมดยังมีกองสังขารคนเพื่อนอยู่ผู้บาจารย์เราทุกตั้งใจบํำเพ็ญสมถะกรรมฐาน ม, มีปัิศนากรรมฐานพระพุทธคดวัดกับปฏิบัติมา สิ้นอายุไขในเทศผ้าเหลือหูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากบรณาณจารย์ท่านถือท่านนิยมเหลือเกินแม้แต่ปูนหลังสุดท้ายปลายแทนของชีวิตแล้วยังคิดถึงการออกป่ายังไม่ใช่ยุคเป็นพระพุทธเจ้าไป อ, อุบัติพวกะถึงสีชีพรอะไระไ ร, ไรเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ พรรู้สึกว่าผมงอผมงอสารคดีสสมบัติแล้วออกไปเป็นกรรมฐานไม่ปล่านะสมถะ ก, กรรมฐานแต่วิปสัสสนากรรมฐานในยุคที่พระพุทยเจ้าไม่มาบุบัตินี่จะรู้ยากระยากขอโอกาสครูอาจารย์นับตั้งแต่เขมพุทอาจารย์ผู้บกคำีโตาสโส แล้วก็ลูปโปเผยวิดีโอและครูบาอาจารย์ตลอดจันท่านทั้งหลายผู้สรงอัศวินขอให้เปิดใจรับฟังธรรมะของ ส, สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตามโอกาสอนนันควรอาจารย์วนจิตเกษมจะเฉลิมท่านบอกว่ารูกโปเ้เผยท่านก็มรณะมาเป็นวันที่12นั้นก็มีการสวดทุกวัน มีการเทศมาสี่กันหน้ากันแล้วว่างั้นวันนี้เป็นการพิเศษที่นิมมอนมาก็เลยมาลุกเป็นเยาวภาพด้วยเพราะว่าการที่เรามาแบบนี้เป็นโอกาสเราก็ออกอดบอกลูกศิษย์ลูกหาเท่าที่เราจะบอกได้เพื่อมาช่วยเอาผลร่วมกันามาบเป็ญกนศลจดของครูบา <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวก็มานี้ก็ให้เทศยบก่อนปกติเราจะ ฟังเจริญฟังส่วนซะก่อนฟังส่วนปินธรรมหรือมตสังกระหัอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แต่ตอนนี้เพิ่งให้พูดตัวมากก่อนถ้าเกิดพูดทีหลังจากส่วนควรจะไม่มีผนฟังเพราะทุกคนไม่รู้จักเลยลุกเราทำเตาชื่ออะไรก็ไม่รู้จักทําตาที่ไหนตรงไหมก็ไม่รู้จักมันมีเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านทั้งหลายรู้จักคุ้นเคย กันที่จับจิตจับใจเป็นผู้สามารถดึงดูหวันใจของเราได้เพราะฉะนั้นการตั้งตั้งใจฟังทนฟังหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ได้ปราวถึงกองสังขารคนชื่อว่ากองสังขารแล้วคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งไรก็ตามที่มีการปรงการประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเาเรียกว่ากอง สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารเป็นกองสังขารทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารมีไหมมีแต่เป็นของสูงมากคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของปริยัติยาคือจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์พระจิตของท่านชักล้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับจิตกับท่ารวมท่านของท่านให้เหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียว หมดจบจากกองสังขารเพราะฉะนั้นอ น, นิจจังตุกขนานัตาจึงเป็นเกี่ยวข้องไม่ได้พ้นภาวะไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังตุกขนานัตตาตราอายังเป็นกองยังเป็นกองสังขารอยู่ตราบนั้นจะต้องมีลักษณะสามอย่างที่เรียกว่าอ น, นิจจังตุกขนานัตตาเราฟังเอาไว้ฟังเป็นกลุยใหมายป้ายทางเอาไว้เรารู้มาที่ตัวเราเรารู้ว่าเราไม่อยู่ของที่ พระพุทเจ้าท่านทรงแสดงในหลักมหาสถิติปัจฐานทั้งพูดว่าความไม่คงที่ของเราน่ยน่าหนักถึงภาวะของสังขารสังขารจะไม่คงที่สังขารจะต้องเปลี่ยนไปสังขารจะไม่อยู่ภายใต้การบังคับัญชาของใครไม่อยู่คงที่หลังสมบัตทุกขังทุกขันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจายังทุกขังเปลี่ยนเป็นอนิจจ์อนิจจ์เปลี่ยนเป็นทุกขันคําว่าทุกขันคือไม่ตนอยู่ในสภาพเดิม เราดูมาที่อัตภาพร่างกายของเราเท่าเดิมไหมเราไปอวดในทอ้องแม่เราหนุนพ่อแม่เจริญพันกันเริ่มต้นเลยน้ําหยดใสๆจากนั้นแล้วธาตุดินน้ําลงไฟของพ่อของแม่ประกอบกันในทอ้องแม่หลังจากสังขารไปประกอบกันแล้วสังขารกับกองสังขารประกอบกันพอประกอบกันแล้วเกิดภาวะ การเจริญติด ต, ตัโต ต, ต, ตามภาวะความเป็นเผ่าผันของมันเจริญมาเรื่อยเจริญเรื่อยจากน้ำจากน้ำใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำร่างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแต่ละวาระแต่ละขนาดของจิตของสังขารกาะนั้นจกไม่อยู่เท่าเดิมเราพยายามดูให้เกิดอุปามาเป็นหัวใจของเราเราทีเห็นว่าก็เราดูคู่บัตรมายากในท้องแม่แต่อยู่ๆมีแต่แม่อย่างเดียว ก็เจ้าปัตไม่ได้มีแต่พ่ออย่างเดียวครอบปัตยไม่ได้มีทั้งพ่อทั้งแม่ประกอบการเจริญพันธุ์จึงเป็นเหตุให้พวกเราได้ไปปัตในท้องแม่แต่ไปได้ตามมุ่ตามกรรมรถไฟของเราไปได้ตามมุ่งตามกรเราไปปัตยในท้องแม่มีแต่จิตมีแต่ผู้รู้เพืที่เราจจับยอรูปสังขารทั้งหมดเป็นของพ่อกับของแม่ เพราะฉะนั้นควางทั้งหมดที่เราได้มาจากพ่อเราได้มาจากแม่ที่พวกเราทั้งหลายเนียเป็นหนี้บุญเป็นหนี้คุณของพ่อของแม่เรามองมาตรงนี้เราจะเห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญมีคุณกับเราเป็นก้อนฐานก้อนแรกที่พ่อกละแม่สละให้กับเราแต่หากเป็นไปตามการเจริญของเผ่าพันธ์ความเป็นมนุษย์ก็มีอยู่อย่างนี้เจริญไปเรื่อยเจริญไป เ, เ, เอยู่ในท่าแม่หลังจากไปประกอบกันแล้ว กลายเป็นโรงานไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยอยู่คงที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่นั่งหรือทุกั์ด้วยเหตุที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไปทําให้เราเป็นไวได้สารพัดสารพัดอย่างมาตามเผ่าพันธ์เข้ามาอยู่จนครบอวัยวะสามสิสอง่ามีหัวมีแขนสองมีลำตัวมีขาสองครบอวัยวะสามสบองเขาถอกมา แต่หาไปได้ตามนิ่ตามกับนี่คือของสังขารที่เป็นรูปสังขารที่เราไปได้ามาจากพ่อจากแม่พอคลอดออกมาแล้วพ่อแม่กับพ่อเด็กเขาป้นด้วยน้ำนมเพราะอะไสังขาร น, นั้นมันเหมือนกนระรองงานมันบดขี้วัตถุอิ่ ม, ม, มของมันอนุกเสื่อมไปอันนี้ก็เสื่มไ ป, นนมไปแต่ในร่างกายนั้นเอาไปบำรุงเอาไปซ่อมเอาไปแซมเราจะเห็นว่าทุกคนเจริญในวัยที่คนเจริญพอไปถึงวัยเสื่อม ทั้งขาทั้งหลายก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะเราอยู่ด้วยวัยเราอยู่ด้วยวัยคำว่าวัยวัยแปลว่าความเสื่อมวัยยะวัยยะแล้วความเสื่อมมันเจริญในวัยที่คนเจริญแล้วมันจะเสื่อมในวัยที่ควรเสื่อมพอถึงวัยเสือ 70, 80, 90, 90, 100, ่อมเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีไข่ก็ตายไม่ใข่ก็ตายนี่ยคือมันหมันร่วงมันหมดอายุไข่ นี่คืออัตรภาษร่างกายของเราพอเรารู้เรียกสามภาวะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็รับทานอาหารเข้าไปนั่นคือวัตถุดิบสิ่งที่เข้าไปนั้นแหละคือดินน้หลมไฟที่ไปัวกกับดินน้าลมไฟที่เราได้มาจากพ่อเราได้มาจากแม่ความเป็นอยู่ของเราต้องมีอยู่ทานี้นีแต่อยู่และไปบัดด้วยด้วยกับอย่าลืมว่าพ่อกับแม่กับลูก ที่ไปเกิดด้วยกันจะคิดว่ามีบุญเท่ากันแล้วถึงจะไปเกิดมีบุญเกี่ยวข้องกันแล้วถึงจะไปเกิดมีปัจเกี่ยวข้องกันก็ไปเกิดได้มีบุญเกี่ยวข้องด้วยกันเราดูตัวอย่างง่ายๆมาย อ, อย่างพระพุทธเจา้าท่านมีบุญด้วยกันท่ไปเกิดเกิดแล้วก็มีการทําให้ตระกูลของพระองค์เนี่ยมีการพัฒนาจากผุ้ทีชนเกณฑ์อริยช น, นเกือบทั้งหมดเลยบรรลุธรไปต่างๆกันตามพระองค์ท่นไปทั้งหมด แต่ถ้ามีกรรมด้วยกันมีบาปมีกรรด้วยกันไปให้อภัยโทษพ่อไปให้โทษกับแม่ไปเพื่อล้างผ่านไปเกิดเพื่อแก้แทนเราอ่านรูปประวัติมากมาเยอะแยะที่ภาวะแบบที่มีขึ้นเกิดขึ้นนี่คือภาวะที่เราไปจับจองในท้องแม่ไม่ใช่จะไปเกิดด้วยบุญด้วยกรรมเท่ากันสํานั้นบาปกรรมที่เกี่ยวข้องกันอืก็สามารถไปเกิดเกิดมาเพื่อจอดล้างจอดผล่ า, ลานกัน เพื่อมาแก้แค้นกันหากมันเป็นไปตามบุญเป็นเป็นตามกรรมนี่เราพูดถึงกองสังขารกองสังขารแบบนี้ที่เป็นโลกสังขารดินน้ํำลมไฟก็จริญขึ้นมาในลักษณะขั้วความเป็นมนุษยก็จะมีความเจริญเติบโตมาโดยลําดับแต่ในภาวะที่ความไม่อยู่เท่าเดิมบางครั้งเราก็ะสบสบายความสุขสบายก็จะไม่อยู่เท่าเดิมเด็กก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์ยากลาบากกันดานเก็บไข้ได้ป่วย บางครั้งก็เป็นโรคนันเป็นโรคนี้เป็นอะไรจะไราสารพัดซึ่งภาวะทั้งหมดเป็นภาวะที่เราหวัง ใ, ใจไม่ได้ท่านจึงไม่ให้เราประมาทถ้าหากเราไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เราจะมีความประมาทประมาทในวัยประมาทในชีวิตประมาทในความไม่มีโรคคิดว่าวัยของเราเองจะไม่แก่จะอยู่มีกำลังบางาวามช้าอยู่อย่างนั้นประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตของเราจะไม่แก่หรอก ประมาณมัวเมาทิ้งสิ่งทิ้งทำแล้วคิดว่าเราจะไม่ตายถ้าหาเราลืมเป็นลืมตายถึงขนาดนี้แล้วมันจะลืมสิ่งหนึ่งทำลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่ลืมทำร่วมไปถึงลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มันจะลืมประโยชน์ด้วยเหตุที่เราลืมตัวนี่คือว่าลืมตัวแต่ถ้าทํากไมลืมตัว ผู้ที่มีปัญญาติเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรายกตัวอยา่างเพื่อให้พวกเราฟังใจหน้าพวกเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็ บ, ค น, บคนตายมากมายแต่พระพุทธเจา้าท่านเห็นคนระับย้อนมาที่โปร่งทันทีโอ้เราต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราต้องเก็บเห็นคนตายโอ้เราต้องตายย้อนมาที่โปร่งทันทีนี่คือขนไม่ประมาแต่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าบุญญาบารมีของพระองค์ถึงแล้ว ยังไงมันก็มีสมาสมุทธะในพระไทยนะมาปกมาเล้ามาเตือนใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาค่อยปลุกปัน่นหัวใจให้เดินเดินนันในที่สุดเราก็ได้ยินในฝันว่าหนึ่งออกปวดซึ้งๆหน้าสองของโมยหนีออกปวดแล้วแต่เราจะชื่อชื่อเชื่อแบบไหนก็ได้แต่เราออกปวดจนได้ก็แล้วกันพระบิดา ต, ติดใจกับคำทายของ สิทธะได้สิตธะด้ะดบอกว่าโ อ, อ้พระโอรสจะต้องได้กองผนวชจะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ทำให้พระจักสุตวทนาเห็นว่าทําไมหัวเราะทาไมร้องไห้ ท, ไห ท, ไหที่หัวเราะเพราะว่าพระองค์ได้มาพอบุคคลผู้มีบุญที่ร้องไห้เพราะว่าอายุอายุไขัยมากแล้ว พราอจนกว่าประกุ ม, มารจะได้ตัดสรุปทำจะได้บอกได้ศอนนั้นคิดจะอยู่ไม่ได้ใชแล้วรังขานก็ลงไปมากแล้วจากนั้นแล้วพระเจ้าสุโธสนาพยายามทำให้เกิดผลอิจฉาข้ามมีความสามารถคิดว่าจะคงจะทําได้พยายามปลูกฟังทุกอย่างให้ใหเจ้าชายสิทธตัตถติดในราชสมบัติติดในบริษัทบริวารติดในสตรีติดในรายตระไรสัมพันธ์ว่าแต่อันไหนที่จะผูกมัดดินใจให้ได้ พยายามปลุกใจให้แต่ด้วยเหตุที่จิตใจของเราะละเอียดมากแล้วสิ่งนั้นจําเจมากี่กัดพี่กันกี่อสังไข่กับกันโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราเป็นประเภทปัญญาจิกัดท่านบอกว่าทั้งคิดในใจทั้งพูดออกปากยังไม่ได้ผ่านคําทํานายเลยและรวมทั้งคําทํานายด้วยเลยี่สิบอสังไข่เราสิเนินนานขนาดไหนและสร้างแต่งงานความดีมาตลอด สร้างแต่ผลงานความดีมาตละาอดพระชาชนสมบัตพิพระน์ฐานความร่ำรวยความสุขพระองค์เคยพบมาหมดเคยเจอมาหมดเราเลยพยายามมาเอาสมบัติในจกักรพรรดิไปรอดอีกเจ็ดวันสมบัติในจกักรพรรดิจะมาเกิดกับพระองค์เราไม่ต้องการคือสมบัติในจกักรพรรดิเองไม่ถึงกับเซี่ยวเดียวที่พระองค์เคยพบเคยเจอมาจนหมดสิ่งที่พระองค์เสียสละมาทั้งหมดทานบารมีทานอุปบารมีทานปรัมัทธปรานินให้อย่าไว้บาปเกินทาน ให้ชีวิตเป็นทางอย่างพวกเรามาเทียบดูพวกเรากลาดไหมให้ชีวิตเป็นทางพรองตั้งใจให้ชีวิตเป็นทางแต่ขอปรารถนาเป็นพระสมมาสัพพุทธขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้รู้เพราะอะไรเพราะความทุกข์ของสัตว์โลกมันถึงอกถึงใจแล้วเกิดปรารถนาว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมทาไงเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นช่องทางออกว่าทําไมเราจะไม่เกิดจะไม่แก่จะไม่เก็บจะไม่ตายี่คือพระคิดของพระองค์มีความรู้สึกลึกคิดอย่างนั้น นี่คือต้นตํานานเราผู้เชื่อมาเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้นได้ฟังได้จำได้เออใช่เออใ ช, ออใช <c oughs> ออ่นี่คือนี่คือลูกที่มีบุญมีคุณต่อต่อกันและกันเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะมาอวดจะต้องมีจะต้องรู้จะต้องรู้รทวีปจะต้องรู้พ่อรู้แม่จะต้องรู้ตระกูลจะต้องรู้ เรียกการเวลาอายุสั้นจะต้องรู้การนี้เวลานี้เป็นการเวลาที่หมาะนะตอนนั้นอ่ะที่ไปเชิญไปไปทูลเชิญให้ท่านมาอุบัตเพื่อจะโปรดเวนนยสัตว์แท้ที่จริงในพระไัยของพระโพธิสัตว์นั้นปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่บากศีบางทีตั้งใจสร้างบา ร, รมีอยู่แต่ไม่ถึงไม่ถึงนั้นเป็นแค่พระปฏิเจตขบุรุษนี้เป็นพระปฏิเจตขบุพุษเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้ฟัง พระเทวท่านเนี่ยหลังจากยอมสิโรราบกับพระพุทธเจ้าเลยนะพุทธเจ้าทรงแยง้มพระโอษฐ์เออที่เธอมาเกี่ยวข้องกับเราอ่าเป็นอุปสรคก ร, รมาทุกภพกทุกชาติเธอก็ไม่เสียเปล่าน ะ, ะหลังจากยอมกับพระพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้วนะแผ่นดินสูงก็หลังจะจมหมดเหลือแต่คางกันไกลเลยเอาคานกันไกลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา เราลึกถึง ну พุทธางสารังประชามิธรรมังสารังประชามิสำคังสารังประชามิโดยอนิสงส์ที่มันเกี่ยวข้องกับผูกพันธุ์โอ้กับที่เท่านั้นเท่านั้นเล่งอยู่อนาคตังสยามพระเถรพุทธจะต้องไปมาปฏิเปลี่ยนพระปฏิญีกับพุทธพผลทุกพ้นโทษพ้นเวรผลนภัยในวัฏสงสารไปได้การเข้าถึงทำพ้นทุกพ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารวัฏสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย การที่เราเข้าใจเราเรื่องเราเดินไปลองบนทางนั้นสู่บนทางนั้นและเข้าถึงบนทางนั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเพราะฉะนั้นพระโดมทุทธิย้าแสดงธรรมบรญจมบักชีแค่พระอัญญาควรจำยังให้กงตาเห็นธรรมเท่านั้นเทวดาทั้งหลายเ น, นีลั่นสถานสะเทือนสถานลั่นหมดโลกประทบ เทวดาทั้งหลายเนี่ยชาตุชั้นยาตุมชั้นดาวดึงครับเป็นช่วงเป็ช่วงเป็นช่วงไปถึงพรมโลกสิกชั้นก็เทือนไปหมดเทวุเทวดาทั้งหลายเขารู้จักรู้จักมากกว่าเราโอ้ยนี้สัมมาสัมพุทธาอุบาลขึ้นมาแล้วเทวดาเขามีจิตที่ละเอียดมากกว่าพวกเราเพราะบุญเขามากกว่าพวกเราพวกเราทั้งหลายเราต้องหมตั้งใจบำเพ็ญเพียรเรามีสมาธิติดเนื้อติดตัวมาก เรามีปัญญาติดเนื้อติดตัวบ้างเรามีศีลเป็นพืชเป็นบาตรเป็นฐานอยู่บ้างเราก็มีติดเนื้อติดตัวอยู่ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตางยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตา่างยังน้อยๆออดับชีพวายนจนไปเราไปได้ที่พักเป็นเทวดาชั้นนั้นชันนั้นชันนั้นเหมือ น, นเป็นที่พักระหว่างทางก็ยังเป็นการผ่อนคลายจากความทุกข์ยากลาบากอย่ามีอาบายเป็นที่พักริมทางเลยทั้งอบายทั้งเทวโลก กันที่พระคริมทางสำหรับพวกเราที่จะเดินไปสู่บนทางคือพระนิพพานนี่หมายความว่าเรามาได้ยินได้ฝังแล้วนะรู้จักทาง ป, ปฏิบัติรู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาแล้วถึงกระนั้นก็ตามเรามีเรี่ยวมีแรง เ, เราทำยังไม่ถึงจะขอใหเราตั้งอัวตั้งใจมุ่งมัน่นตั้งความปรารถนาเอาไว้ถ้าหากมันยังไม่ได้นในอัตภาพนี้อย่างน้อยๆเราที่โอกาสที่จะได้เกิดทานพระศรีอริยเมตรไตร แต่ถ้ า, ายังไม่ได้เริ่มต้นั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเวลาพราะองค์ม า, าบัติพระยิริยเมตรไตรพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนทำไมลูกโอกาสจะมารู้เรื่อง <c oughs> ที่จะมาพบมาเห็นที่จะมาได้ยินในฝฟังไม่มียุคนั้นเป็นยุคของคนที่มีบุญมากเกิดศัศนาที่พระเศิริยะเมตรไตรเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทไหนประเภทวิรยิยะชิงกับหรือเปล่าพระศิริยะเมตรไตรต้องสงร้างบารมีถึงสิบภพอสงไขยแสนมหากัรรม สิบหกอสงไข่ในแสนมกัรมสิบหกอสงสิกอสงไข่นะฮะสบหกอสงไขนี้คือได้รับการพยากรเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราหลังจากได้รับการพยากรต้องสร้างบารมีเสียสงไข่แสนหมหากรรมโอ้ยกับหนึ่งกับหนึ่งมันเนิ่นนานมากน้อยเท่าไรลองคิดดูสิเหมือนอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในกับที่เรียกว่าพัทธกับพัทธกับมีพระพุทธเจ้าเม้าปัดตั้งห้พระองค์เรามาคิดดูสิทําไมพวกเรา ยิงมีบุญวาศาสนาถึงขนาดนี้พระนภูสันโธ ท, ท่านก็ลงไปแล้โคนาคำโลกัสโผโคตมโมซึ่งเรายังอยู่ในพระศาสนาของพรับยังจะมีมาอีกพระศีลอริยะเมตโยยังไม่หมดหนึ่งกัปนะหนึ่งกัปยังไม่หมดยังจะมีพระศีลอริยะเมตไตรมาวบัณฑิถึงจะหมดหกัปนี่เราไม่ต้องพูดถึงหนึ่งกัปแสนมหากัปแล้วก็จากนั้นอีกก็สงไขยอสงไ ข, งข่โอ้โอโอยจิตใจลึกคิดสร้างแต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้น เวลาบารมีมาเป็นบารมีมาเป็นเปลี่ยนเต็มที่บารมีเต็มเปลี่ยมทุกอย่างที่เป็นประเภทโลกีทั้งหลายทั้งปวงไม่ติดไม่ติดใจทั้งนั้นมีเด็ดึงจิตออกอยากออกอยากออกอยากออกอยากออกเห็นอะไรเป็นเรื่องขัดข้องไปหมดอืแ mm hmm. ม้แต่พระเจ้าสุโธทนะพยายามดึงครั้งให้อยู่เพื่อจะได้เป็นพระเจ้าเป็นดงมากเท่าไหร่ก็ไม่มีความสามารถที่จะดึงได้นี่คือภูมิจิตภูมิจริตภูมิวิสัยของสัมมาสัมพุทธะ ด้วยเหตุที่พระองค์เป็นปสมมาสามุทธ h a นี่แหละเวลาประเทศสอนพวกเราพระองค์จึงยกกองสังขารมาเป็นต้นของการพิจรารณาเพรด้วยเหตุที่พระองค์มีความรู้มีความสามารถฉลาดแหลมของจนพระจิตของพระองค์นี่บรรลุกม่มุดพ้นไปในวันเกิดกนะันโถงนั้นในปัจจิบยามาอย่างราตรีวันนั้นไม่ทราพบพระองค์เจริญยังไงนะ ปฐมญาณเพราะว่าพระองค์เจริญอานาปานสติพอล่วงไปสี่ทุ่มว่าพระองค์ได้บรรลุปุเพยิวะสามสติญาณเป็นญาณนะไม่ใช่ฌานพระญาณพระองค์ฌานพระองค์สมเต er an ็มแฝงอยู่แล้วปฏิเรียนจบจากอุทกกระดาษปัจจาระดาษในระยะเวลาที่สั้นเวลาพระองค์หันมาทําวามเพียรดำดาจินใจเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นเรื่องของกาย ตามรู้หลงก็การตามรู้กายการพิจารณากายโดยเหตุที่พระองค์บุญญาบารมีพระองค์ย่งช่ำชองมากเกี่ยวเรื่องล่านี้ปฐมญาได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณมียานญาณหนึ่งปรากฏในพระัยของพระองค์ว่าเห็นพบชาติเบื้องหลังของพระองค์ย้อนไปย้อนไประลึกไปย้อนไปมากเท่าไรไม่มีจุดจบไม่มีที่จบปุพภะปุพภะปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณนั้นได้ภพชาติเบื้องหลังได้ ล้ลึกย้อนไปเป็นกลับกบเป็นวัฏจักรเป็นสังวัฏจักรเป็นวิวัฏจกรเลยกลับไปอีกนะเป็นอสศงยัยอสศงไขแล้วลึกได้หมดเนี่ยพยายามทำกลางตั้งแต่สีท่ทศไปจนถึตีสองรู้การเกิดรู้การเกิด ก, ก, ก, การตายของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกผม้งเรียกว่าจุกตูปปาตยารู้จักการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอโอ้ตั้งแต่ยานเบื้องต้นแล้วก็ยามยาน ยาในท้ากลางรู the ้ว่าจะเป็นเหตุอะ้เบื่อหน่ายอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดให้ตายเกิดให้ต่างกันเนี่พระจิตของเรามันหมุนอยู่หมุนอยู่แต่ก็เรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวนะหมุนอยู่แต่ก็เรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวเอาจิตมาตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันไม่เหมือนจิตพวกเราพวกเราดึงมาแล้วก็หลุดไปดึงมาแล้วก็หลุดไปดึงมาแล้วก็หลุดไปถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนของระองเพียงพอดึงมาแล้วก็หลุดไปดึงมาแล้วก็หลุดไปสักหน่อยหมดความปวดความผลลุกขึ้นจอยแหมไม่ได้อะไรพระองค์ตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นด้วยเหตุ น, นี้เองในปัจฉิมยาพระองค์จึงเอาความสามารถของรองค์มุนอยู่กับบทธรรมทั้งหลายงหลวงพิจารณาย้กลับไปย้อกลับมาย้นกลับมายนกลับไปจนอาสวัตติเลหในพระไทยของพระองค์งือแห้งไปจากขันทัศนดาย้อนมาดูพระไทยของพระองค์โอ้บทสุดหมดจดไม่มีอะไรตกค้างหลงเหลืออยู่เลยสมัยไปเรียนกับทศดาบทอลาดาบเรียนรูปสมมาบกับอรูปสมมาบคือสมมาบแปเรียนจบไปในเอาเวลาทีสั้ อาจารย์บอกว่าจะจบแล้วความรู้ของเราพระองค์ก็ย้อนมนุษย์พระไทยของเรายังมีกองทุกเต็มแพร่ทุกองใหญ่ทุกวิตกทุกกองวลนพระท่านเป็นดวงกษัตริย์เหนไหมคิดถึงพิมพาราหุนคิดถึงพระเจ้าสุโธธนัชพนางพระชาบดีโคตมีพระญาติพระวงพระราช า, าสม บ, บัติว่าพระชบิดาปกครองทุกอยา่างลำบากขนาดไหนเป็ น, น เ, นเนรนนื่องที่เราต้องไปนึกไปคิดแต่ตอนนี้ออกมาบังผนะืนโดยล วังตรัสรู้เป็นสัมมาสัพพุทธรพจะจะระเจ้าะดึงไปฉุดไปลากพระญาติพระวง์รวมทั้งสักโลกทั้งหลายออกจากเกิดแก่เจิบตายพระงองค์ยิงตั้งใจในที่สุดปัจฉิมยาพระองค์ก็ได้บรรลุอาสะวัคคย า, ยามันมีญาณอย่างหนึ่งทำให้พรารู้ว่าอาสะวัคกิเลสในพระทัยของพระองค์เหมือนแห่งปะะัจจกสันดาอาสะวะยะคือสิ้นไป รู้ว่าเจเลนในใจสิ้นใหม่เกลีย้ยงกลาวหมดไม่มีอะไรตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทําให้พระองค์พอใจถูกทางนะเพราะฉะนั้นงานอันนี้ผลงานอันนี้พระองค์จึงมาทรงพิจารณาหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมในวนันเดือนหแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่บริเวณต้นโพเราจะเห็นว่าพระองค์ประทับอยู่ในที่ต้นโพบริเวณเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันรวมเวลา4ี่สิบเก้าวันนะเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวัน พระองค์ทรงพิจารณาทบทวนถึงข้ออัดข้อถังที่พระองค์เป็นไลุมาที่เองเพื่อที่จะมาบอกมาสอนเวรนยศัตร์ทั้งหลายด้วยบทใดด้วยบาทใดด้วยอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างแท้จริงพยายามพิจารณาเพืที่จ ะ, จาะมาบอกมาสอนเพราะฉะนั้นพระองค์เคยผ่านถูกผ่านผิดล้องถูกร้องผิดมาแล้วในธรรมจักรพระองค์จึงทรงแสดงถึงทางเห็นไหมถ้าหนึ่งย่อนเกินไปเรืองของการ <c oughs> การบริหารการโยก ทำอีกแบบหนึ่งเหมือนอย่างสิบพระองค์ทำนะครัตทกิลมถานโยะทรมานต น, นให้เหนื่อยเปล่าทกิลามทานโยะทรมานกายแต่ต้องการธรรมะข้อที่ใหญ่เรามาฟังเหตุผลเหตุผลเชื่อมกันไม่ติ่ต้องการธรรมะที่ใหญ่แต่ไปทรมานกายในแง่เห็นกับผลนี่ตอบกันไม่ถินะน่นะเพราะยานพูดองว่าทําจนตายก็ไม่ได้นะบริโภคกรรมเหมือนอย่างเราอยู่ด้วยความรุ่มหลง ด้วยราคาด้วยตัญหาด้วยความโลภดือความโกรธด้วยความกิมจการที่เสียประโบชน์อันนี้แหละคือการของขาริการนโยบประกอบตนโพพันในกาเพราะเรื่องทงั้งหมดทั้งวงเหล่านี้เป็นเรื่องของกาทําไปจนตายก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเราต้องการเอาไม้มาสี ก, ากันเกิดไฟนะเอาไม้มาสี ก, ากันเกิดไฟไม้มันสดด้วยแล้วก็ชุมบเลยยางด้วยและยังแช่อยู่ในน้ําดี ทำไงไฟจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นไม่ได้ดเบเื้องเหตุที่บุตรชนเรากรหานผู้ครองเหมือนเราเราอยู่ด้วยกาวเหมือนไม้ที่มันสกัดมันชุม่มเลยอยางนอกจากนั้นพวกเราก็บริโภคกาวอีกยังถูกแช่อยู่ในน้าําอีกต้องการไฟเกิดขึ้นจากการเอาไม้มาสีเนืยเปลา่าพระองค์ทรงตรัสว่าเนืยเปลา่าเนยปลา่าแต่ไม่ปฏิเสธวิบากรรมนะ พิบาติกับไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทําไปเถเรายังอยู่คลองเรือนะเนถือได้บ้างถือไม่ได้บ้างถูกเข้าไปเลยแม้แต่ไม้สดสดเรามาถูกกันหนึ่งไม้สดสดจะแทะชุบด้วยยางแทะมันยังสามารถถลอกเป่าเปิดเริ่มเหี่ยวไปเริ่มแห้งไปเริ่มอะไรจะอะไรไปในที่สุดถูไม่หยุดไม่หย่อนมันก็สามารถกิดเป็นไฟขึ้นมาได้นี่เป็นข้อประมาอุประมาณนี้เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้านะนี่คือการมสุขาริการโยทําให้ตาเขา้ามาได้ เหมือนเอาไม้สดเอาไปสีเกิดไฟไฟเืิดไม่ได้มันเป็นปฏิปักษ์กับกับไฟไม้สดสดเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับไฟและอีกเส้นหนึ่งก็คืออัตราการมถานย่อกมาณกายให้ให้เหนือเปล่าเหมือนอยาอ่างเราอดอาหารเนี่ยกลั้นลมเนี่ยกัดฟันต่อฟันเนี่ยกัดฟันกัดข้อข้อข อ, ข อ, อย่งั้นจะให้ส า, ามารเกิดที่ใหญ่ ไม่ได้เจริญบทกรรมฐ า, านอะไรเลยนะกัดฟันเฉยๆแต่ต้องการสามารถกดที่ใจเราฟังดูและเหตุผลมันต่อกันด้วจิตเมื่อรู้เจ้านักที่อัตกระมังขามโยกเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาได้ยังไงเรามาพิจารณาลองดูสิลองวิจัยวิจารณลองดู อ, อัตกระมังขามโยกเนี่ยกลั้นลมหายใจเนี่ยปกติร่างกายมันต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจลมมันเป็นเหตุเป็นผลเพรมันเองไม่ให้ลมออกทางปากไม่ให้ลมออกทางจมูกกลั้นลมหายใจลมไม่มีที่ออก มันก็ออกคลางช่างหมูโอ้เมเสียดไปในพระอทธรลเรมาเสียดไปในพระอุทรนี่คือพระองคมทำอักิริมฐานโยคทําัตกิติมาะจากนั้นก็มัดอดกัยญาหานักแตดงสวยเต็มๆเลสวยจนอิ่มลดไปวันละคำวันคำวันณะคำวันละคำวเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้ยลงจนเหลือหนึ่งขันอดดข้าวนะไม่ใช่อดเลยเสียทีเดียว กดจนเหลือหนึ่งหนึ่งคำย่ออีกจากหนึ่งคำไปอีจนเหลือหนึ่งเม็ดเราคิดมาดูตอนเนี้ยพระบราการของพระองค์เนีบอบช้ำขนาดไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ใชเราทําความเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนๆกรารสุขการิการน โ, โยกไม่ใช่อาตมาธรรมนโยกไม่ใช่พระองค์จึงปราลบที่ทําความเพี่ยนดังนั้นหึงใจแต่อัตมาร่างกายของพระรงองค์จะตายชีวิตถึงสี่จะขาดชีวิตจะตายจะก่อน หันมาสวยพระราหารซะก่อนผิดระเบียบของปัญญาวิธีเขาเพราะปัญญาวิธีเขาถืออย่างนี้มาจนติดแนบในหัวใจแล้วแหะใครสามารถจนตาได้จะได้การได้ทำเราก็ทราบไม่ได้น่ะอัดทำที่เขาจะได้คืออะไรเราก็ฟังไม่ออกมันจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นเขาเห็นผู้ใจหันมาสวยพระราหารก็เลยโอ้รองผมงเราให้หนีจากรองไปอยู่คนละแคว้นน่ะจากแคว้นราชครึกไปอยู่แคว้นกาสี่คนละแคว้นเลยนะ อย่างทุกวันเราไปดูดิเราไปลงที่ตน้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งรถไปเป็นวันนะนะไปไปเมืองพา ร, ราณสีนะนะไปปราจีนบุรีฒน์เมืองกทยวันที่ประงสงสนนค์แสดงธรรมเรานั่งรถแปดชั่วโมงนะเนี่ยไปใบนี่เราไปแปดชั่วโมงนะนั่งรถตามรอยพระบาทท่านเสด็จไปตรวจปฏิวักกีเลยนะแปดชั่วโมงนะั่งรถแต่สมัยพระองคนะ์เนี่ยเดินด้วยพระบาทพมาดูกี่วันถึงก็แล้วแต่เลยแต่ไปได้ไปทันเทศ วันเป็นเดือน8ปนะสเดือนนะวันเป็นเดือน6กวันเป็นเดือน7วันเป็นเดือน8หลังจากพิจารณาเป็นเวลาถึง49วันแล้วก็ดำบีจะสอนแลหลังจากนั้นครับถึงเสด็จออกไปโปรโดปัจจวคัคีที่แรกดำบีจะสอนอาจารย์อาจารย์ทั้งสองเนนะี่ยเป็นผู้ที่มีกิจละเอียดมากวั น, น, วนรุ่งขึ้นปดอะไรรุ่งปดโอ้ยพิจารณาอรูปปัสมบัติกิจละเอียดตั้งยังไงก็จมอย่างนั้นแต่ว่าองค์หนึ่งสิ้นแต่ละเทวะปัตองค์หนึ่งสิ้นไปแล้วเมื่อคืนนี้เอง เสียดายเจริญจาถ้ารพระองค์เพียงแต่ชี้หนทางบอกว่าต้องมาอย่างนี้ต้องเคลียอย่างนี้ต้องขยับอย่างนี้ออกช่องนี้เท่านั้นเองนะสว่างโรคเทศยังไม่จบหนึ่งคาถาซ้ำบรรลุธรรมได้เลยแต่เสียดายก็เกิดตายแล้วจะเกิดบนภพบ น, บนอรุปรพมอรุปพรปพมนแปดนึ่งสี่ันกับไม่ได้จะไม่ได้จะลงมาได้สร้างาบารมีไปอยู่วนนั้ น, นะเป็นเพรภูมิที่สวยสวยผล สวยผลของการบำเพ็ญสวยวิปากกรรมไปสวยผลเป็นพกภูมิที่ไปสวยผลนะโยม น, นั้นนะโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมคนนั้นมีก็เฉพาะผู้ที่ได้บรรลุธรรมเท่านั้นจะยังเป็นพระโสดาบันเนี่ยตายในอัตภาพนี้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็สามารถพัฒนาจิตและพัฒนาไปเรื่อยไปจะถึงอ ร, รูปไปจนถึงนุ่นสุทาวะพรอมารโลกพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยไม่ต้องลงมาอีกอเพราะคนนี้เบื่อกรรมแล้ว ไม่มีอะไรที่จะเป็นเยื่อใ่ดึงเรามาเกิดในโลกวิถีพัฒนาไปหม้นะแต่ถ้าหากยังไม่มีอัตมีธรรมที่เป็นอริยธรรมแล้วพออยู่ครบกำหนดเต็มเตี่ยมตกตกลงมาแล้วดีไม่ดีอกุสุมันดึงไปอบายนั่นนี่เราพูดถึงอาจา ร, รย์ของพระพุทธเจ้าท่านพระโอกัดตรงนั้นพระยาพรมสไปทบทวนในที่เจ็ดแห่งแล้วเ็วันเราจะเห็นว่าวันนั้นทุทวนนั้น อยู่ใต้ร่มร่มนั้นทบทวนนั้นอยู่ใต้ร่มนั้นทบทวนนั้นเราจําได้ว่าที่พระองค์ทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาทอยู่ในร่มอะไรมาดูนะทรงทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาททรงทบทวนพระคติธรรมทรงทบทวนนะทรงทบทวนความรู้ที่พระองค์จะมาสอนมาสอนเราเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พระองค์มาสอนในหลัก ธรรมจักรฟุตาสูรจึงมาตรงแนวอริยะศักดิ์สี่ไหมเราเห็นไหมในหลักการศักดิ์สังสีพระพุทธเจ้าทรงแสดงในธรรมจักรฟุตาสูเดี๋ยวละเอียดยิบเลยนะทรงสแสดงหลักของอริยะศักด์ทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากทรงแสดงละเอียดมา ก, ปมากอปัญจวัคคีเขาพยายามปฏิเสธเขาไม่เชื่อเห็นพระองค์ไปแต่ไกลทีแรกบอกกันว่าเราไม่ต้องรับสัเพลียงแต่ปูนั้นคอยปูนี่คอยต้องการจะไว้ก็แวะ ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวแต่ด้วยบุญญาปรมีนะมีรัศมีเปล่งปลั่งอะไรแปลชอบผลพมาระลุมนะครับที่บอกกันอันหนึงหมดแล้วแหางคนดังปูา อ, อาสนะเอาอาสนะมาปูเอาน้ํามาลา้างรับบารับจีวร ร, รับอะไรจะอะไรเธอจงฟังธรรมเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านยมบาลรมได้ยังไงในเมื่อท่านครายความเพียรเพียนมาเพื่อเป็นปูมากๆเสช่แล้ว ถ้าหากเรายังไม่มียานรู้ว่าถ้าหาเรายังไม่มีรายานรู้เราจะไม่ปฏิญาณว่าเราได้คนทุกเราจะไม่ปฏิญาณว่าคนทุกเพราะฉะนั้นองค์ยังแสดงอริยสัจสเอียแสดงถึงทุกยานบอกหนะักเพราะวันนี้ทุกยานบอ ก, กทุกคนตนองรู้ก็ห น, นรู้แล้ว สมุทยัยอันนี้คือสมุทยัยคนก้มหน้าโอ้หัวลักได้แล้วคือมันจบงานแล้วอันนี้เป็นนิโรดนิโรธาเป็นนิโรดนิโรดควรทาให้แก้ทําให้แก้แล้วแต่ละอยา่างแต่ะอยากเป็นยาะโอะอันนี้เป็นมารเป็นข้อป ฏ, ฏิบัติอืควรทําความบําเพ็ญให้มากเจริญให้มาก ทำให้มากเจริญให้มากแล่ถ้าหากเราไม่มียานอย่างนี้ไม่มียานไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างอันเกิดเหตุอัุจัญเกิดขึ้นในหัวใจของเราเรายังจะไม่ปฏิญาณกับเราว่าเป็นพระมาสัมพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นปัญญวัคคีก็เลยตั้งตั้งตั้งใจฟังแต่อาจจะมีความเลื่อมใสชะาหนิดหน่อยสำหรันเองเพราะฉะนั้นจึงได้ผลแค่หนึ่งองค์คือพระัญญาโทนธัญญาแต่ก็ได้แค่ดวงตาเห็นครรม โปรยเทศไปด้วยเราก็ดูข้างในไปด้วยรู้ว่าพระนัญงานควรทัญญาณเข้าถึงเนื้อเส้นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นนะโอ้พระอนัญญาณควทัญญาณเนี่ยเป็นผู้ทําอะไรถึงจะต้องการก่อนเช่ไหนะท่านพูดถึงบุญกรรมก่อนรือเปล่าท่านทาอะไรท่านต้องต้องได้ก่อนท่านเลยได้ลงตาเห็นทำก่อนครับเป็นพระสวดัภิษเนื้อหาของพระสวดอภิษที่พระอนัญญาณควรทัญญาณเข้าถึงนั้นกันก็คือความไม่เที่ยงเอง ความเป็นทุกข์ความไม่เทีย่ยงความเป็นอนัตตาอืจริงใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างณีจิสมุทัยธรรมวันสัพพันตังนิโรธาธรมันแค่นี้แหละเข้าใจเจ็มแย้งขัดเกลมีเหตุมีผล ป, ประกอบอยู่ในนั้นทั้งหมดพระอัญญาโคนถึงยักษ์ตอนนั้นเลยกลายเป็ว่ามีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเทวเทวนาตะชั้นเจริญ ม, มณโฑศาสนาสุ ก, การสตื้นสะนส า, านลั่นเลื่อน ไปตั้งแต่พื้นตั้งแต่ชัญาติมาจนถึงรู้อารมณ์ผมเทวดาทหลก็ระพุ น, นชันนี้กระพุนชั้นนั้นระพหรอ้สาธุชั้นนั้นกระพุสาธุสาธุไปนี่ในธรรมจักรสูเพราะฉะนั้นในธรรมจักรนี้ถ้าเราจะดูให้เห็นให้เห็นเป็นจักรของธรรมจักรของธรรมของพระพุทธเจ้าอ่า จากของธรรมจากในธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงหมุน ม, มาที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่วสมาธิื้วยปัญญาคืออริยมรรคมีองค์แปดมาวางลงในหลักของการปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์แปดสรุปไปแล้วคือมีองค์ประกอบด้วยสิ่งด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่จะต้องมีปัญญาเป็นเบื้องต้นนะคนเราถ้าขาดปัญญาสาาัอย่างมันขยับยากนะแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วขยับ ขยับขึ้นก็ได้ขยับลงก็ได้ข ย, ยับยังไงก็ได้ถ้าเรามีปัญญาเสยาียใหเพราะฉะนั้นในนั้นท่านจึงพูดเอาปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิเห็นก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเห็นตรงตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นหลักอริยรสัจทัี่แหละที่ใช่ว่าเห็นชอบ ส, สัมมาสังกัปปะดำริชอบเบื้องต้นคือดำริออกจากกามีความสำคัญนะ มันมาพันที่พวกเราทั้งหมดที่ยังบริโภคการอยู่เนี่ยดั่งริ่งออกจากการดั่งินในความไม่เปีบากดั่ริงในความไม่เปลี่ยนเปลียนโดยเหตุที่เราผูกพันในกามนั่นแหละเราจะมีการเปลี่ยนเปลียนซึ่งการกันไม่อยู่ไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้นทําให้พวกเราทํ้งหลายเนียผิดศีลผิดธรรมไปดูในกุศลกรรมมาอกุศลกรรมมาจากกุศลกรรมมามันจะเปลี่ยนไปเป็นอักกุศลกรรมบาไปทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรม พราอะไรเพราะมันถูกตัณหาราคาที่อยู่ในหัวใจเนี่ยมันโดดดิ้นตามอำนาจตามพลังของมันที่พระเรจ้พระองค์ยังทรงแสดงเอาธรรมะขึ้นก่อนสมาธิสัมมาสังกัปปะคือดําเรดดําเรดนึกคิดในใจนึกคิดที่จะออกจา ก, การะเราออกจากการะได้ไหมเราออกจากการะได้เราต้องเอาธรรมะเข้าไปบริศถาที่หัวใจเราจึงจะออกจากการะได้ ปกติจิตขอราจนะกเกี่ยวข้องว่าวุ่นขุนมมยตทธอารมณ์ของกามอะไรเสืออารมณ์ของกาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนี่คืออารมณ์ของกาจิตมันเพรา ว, ว่าวนวนหมุนอยู่แต่กับเรื่องอารมณ์ของกาทั้งหลายทุกปรนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาวิธีที่ให้เรายุดกาหยุดนึกคิดตามเรื่องของกาอยู่กับพอารมณ์ของธรรมพุทโธพุทโตัวพุทธอริสติท ทำโมทำโมทำโมสังโคสังโคสังโคหรือจะเป็นประเภทเพ่งเพ่งดินแพ่งน้ำพพพ N, дела, เพ่งลมแพ่งไฟหรือจะเป็นประเภทเดินอสุภะหรือจะเป็นประเภทเจริญเวทตามันเป็นเรื่องของการอยู่กับบททำจิตของเราข้าอยู่กับบททำแล้วจิตของเราจะเริ่มห่างเหมืนจากกาเพราะฉะนั้นเราทําจิตของเราให้สงบระงับได้จิตที่สงบระงับคือจิตห่างจากกาจินออกจากกา จิตของเราถ้าไม่ออกจากกาแล้เนี่ยจิตของเรามันจะชุ่มแช่ไปหรืองกาเหมือนไม้สดชุ่มเลยยากจะาไปเสียเกิดไฟเกิดระยากจิตที่เหือนแห้งจากกาเหมือนต้นไม้มันแห้งเหมือนไม้แห้งที่เราเอาไปเสียเกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นได้แต่ก็ยังมีอยู่เงื่อนอีกเงื่อนึงคือต้องทําให้ถึงต้องทาให้ได้ต้องทำให้ถึงเหมือนอย่างไม้แห้งและกระตาเราสีสีสีสีแล้วเราก็หยุดความเสียดสีทําให้เกิดไฟพราหยุดรับ ไฟมันก็ลดลงไฟมันก็ดับคิดได้คิดอีกสีอีสีสีสีแล้วก็หยุดเหมือนพวกเราในอยู่บ้านอยู่เรือนมาวัดบ้านมาภาวนาบ้านทิ้งบ้านอะไรบ้างสีสีสีแล้วก็หยุดแม้แต่รูนช่องทางดีดีขนาดไหนก็ตามด้วยเหตุที่เราทําไม่ต่อเนื่องโอกาสที่จะได้การให้ทําได้ข้อเปลกงปาะอสิจันทิมาในหัวใจมันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําอย่างต่อเนื่องไป จนมีสัญลักษณ์ไฟปรากฏงนนมานะบมายงการสีไม้เกิดไฟพระสิทธาาทรงแสดงนะเพราะอุปมานี้เป็นอุปมาที่เกิดขึ้นกับพระองค์งเองก่อนที่บาะท่านสะรูปภายในไม่กี่วันเพระองค์งได้ได้อุปมาอุปมยอันนี้แหละปรากฏในประไทยของพระองค์งจนจนถึงว่าเดินตามทางได้แล้วขัดสีไม่ยอยเดินหนักหนาเข้าไปเรื่อยจนสัญลักษณไฟปรากฏมีควาน มีควันพระกฏวิทานน้ำน้ำพระกฏวิทันแดงแดงว่าขยับไม่หยุดขยับไม่หย <your> ุดรถยนต์เปลวไฟลุกพึ่ได้ฝ่ายใช้เราฟังครูปายจารย์ตรงไหนอาารพูดจะพูดเหมือนกันหมดว่าเด่นตายเด่นตายเด่นตายถ้าเราจะคาดจะเราคือเด่นตายก็น่าจะเด่นตายตรงนี้แหละนะเด่นตายเด่นตายตรงที่พยายามไม่ติดให้ตายไม่ตายไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้กลมจะดัำกลมจะดับถ้าหยุดปั้มจะดำถ้ายับ เป็นความเป็นเปลวฟุ้ขึ้นมาทาราเทียบก็คือความรู้ที่เราหมุนอในหัวใจของเราหมุนอยู่ด้วยสมาธิหมุนอยู่ด้วยปัญญาจนสามารถทําให้เกิดปัญญายาขึ้นมาได้เนี่ยทราเทียบปัญญาญาก็เท่ากับว่าเปลวไฟที่ปรากฏทำให้เราได้ไฟใช้อุปปมานี้มันชัดสำหรับพวกเราเราจะเป็นประเภทเไม้สดชุบเลย า, ามีไก มีกายยังไม่ออกจากการมีใจยังไม่ออกจากการหรือมีการมีใจออกจากกามแล้วแต่ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่หรือท uh ําต่อเนื่องแต่ผู้ที่ทําต่อเนื่องท่านจะรู้จัากเรียนดวงตัวท่านเองทําไม่หยุดไม่หย่อนจนสามารถทําให้เปลวไฟขึ้นมาได้ทำมาที่จะพึ่เกิดขึ้นหัวใจพี่ยับอยู่งนั้นก็ยอมปล่อยท่านรู้ท่านเข้าใจเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจัยต่างทําให้รท่านรู้ท่านเข้าใจแล้วดวตัวท่านเองนี่อันนี้คือ อันนี้คืออะไรคือการคือการหมุนเข้าไปในอักของเหตุของผลของหลักอริยสัจทัอ่าเราพูดถึงมัทยโวตแบบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะมันเป็นเรื่องของสินสินแต่ละบทแต่ละบัรแต่ละข้อจะเป็นสินห้าก็ตามสินแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็สินสารสิบอ็ 27, 11, ของพิสุลิก็ตามสิลเนี้ย ถ้าเราถืออย่างคคล้เคร่งตามองตามองของศีลของเพศนั้นๆั้นศีลสามารถระงับดับแค่ปลายเหตุเท่านั้นสามารถระงับดับแค่แค่ปลายเหตุท่านจึงเอาให้เอาศีลมากํากับที่กายกายกัมเอามา ก, กับที่วาจาวาจีกับมากํากับที่ปลายเหตุนะแต่ต้นเหตุขอมันอยู่ที่ใจมันนึกคิดมันดําปริดจิตตอนอะไ ร, รอะไรมันเกิดขึ้นที่ใจแต่มันลักออกมาที่ที่กายที่วาจา ศีลนเนี่ยเราเนึกคิดเรื่องการมารรคเรื่องความโลภเรื่องอะไรตัว อ, อะไรก็ตามถ้าเรายังไม่เอากายของเราไปทําไม่เอากายของเราไปหยิบไปชวยไปละศีลของเราไม่ขาดแต่ทําในใจของเราจะเริ่มเสียมาเลยเสียมาเลยในเมื่อมันรบเรายังบ่อยครั้งเข้าในสุดเดี๋ยววันลุกอํานาจให้กับมันต้องไปสนองต่อมันเนี่ยศีลมีความสําคัญอย่างนี้แล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสมา ส, สมาธิ อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิสมาธิพุทธเจ้าท่าทร ง, งแสดงนั้นไม่ใช่สมาธิแบบหมอต่อเป็นสมาธิที่มีสติมีปัญญาอยู่ในนั้นเราดูมาที่ความสงบของเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาวิตกวิจใจวิตร ก, ก็คือจิตนึกจิตตรีตรองวิญญาคือประคองคุณสมบัติของใจก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมเอามาประคองเราตั้งพุโทโธขึ้นมาพระดำริพุโทโธ ประคองความรูรร้สึกจากพุทธไปหาโทจากโทไปหาพุทจากพุทหาโทจากโทไปหาพุทธประคองไม่ยอมวางนี่คือมิตรวิจารมิตรคือความตรึงวิจารณ์คือความตรองตรองไร้ตรองบทธรรมตรึกบทธรรมเพื่อดึงจิตของเราออกจากอำนาจของกิเลกิเลสทั้งหลายทัง้งปวงหรือวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายทัง้งปวงเป็นรูกสมุนของตัณหาตัณหาอยู่ที่ใจ ตระหนความริดลที่อุยายของใจตระหนักถึงความอยากความริดลที่อุตยายของใจถ้าเราอยากจะพิจารณาความอยากขในใจของเราเราดูให้ออกไปแล้วกันความอยากขในใจของเรามันอยากเรื he, ่องรักเรื่องช่างเรื่องโถงเรื่องเกลียดโอ้อันนี้เป็นสมัยรีบระกรีบร่อยรีบวางทันทีโอ้อยากให้ทานผู้อยากบวญจะไปควาง มีโรคมีเจ้ามีหลานด้เรียนยากหวดยากขวานรีบส่งเสริมรีบสนับสนุนทันทีโอ้นี้เป็นมักเป็นมักรีบส่งเสริมรีบสนับสนุนความยากจะเกิดขึ้นเดี๋วันใหญ่กว่เราในลอกในสองลักษณะหนึ่งอยากตามอำ น, นาจของสมุทยัยสมุทัยไี่มันกอขอโทษขนะอโทษนั้นเราทําตามความชอบใจไม่อยู่ไม่รู้จกัจกยับยังไม่รู้จักประมาณนาทุกนําโทษมาให้เรามันมีเหตุกับผล เหตุกันหนึ่งนำทุกมาให้เหตุอีกหนึ่งดับเหตุที่ทําให้เกิดทุกนี่รวมลงในหลักอริยสัจทั้ง4ดับทุกอ่าดับทุกแทนที่จะดับตัวทุกไปดับตัวสมุทัยดับตัวสมุทัยก็คือดับตัณหาคือความอยากหัวใจเราสังเกตดูอย่างนี้เราจะเริ่มรู้ทันความอยากหัวใจของเราอยากด้วยความรัก อยากได้ความช่างรับอยากได้ความกำนังรับใกล้ยินดีอะไรตโอ้วันนี้เป็นสมุทยัยสมุทัรีบปล่อยรีบพระรีบหวานอย่าไปส่งเสริมแต่มันมีโอนชักเข้าหมานะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหลงไปเคลิ้มไปกำมันง่ายมากเลยนะฟิปตาเดียวมันึงไปแล้วริปตาเดียวหนึงไปแล้วถ้าเราอยู่ในท่าที่เราตั้งตั้งใจขับเชี่ยวตรงนี้เราจะรู้เราจะทันมันโอ้อยาสนุกโอ้อยากได้อัดอยากได้ทํา โอ้อยังไม่ปวดเนี่ยมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยอยากพ้นทุกข์พนโทษอย่ากให้ใกล้ฝ่า อ, อันนี้เป็นเป็นมัดเป็นมัดให้เรารีบส่งเสริมเรียบสนับสนุนขึ้นมาทันทีแต่ความอยากมันเกิดมันเกิดในสองลักษณะแต่เตุปัจจัยของมันม่เหมือนกันเหตุปัจจัยอันหนึ่งคือมัดสามารถไปสูบระนาบดับสมุทยัยคือเป็นเหตุได้เกิดถูกเพราะดับได้นั่นแหละท่านบอกเป็นนิโรดนิโรดคือมัด ดับเหตุแห่งความทุกข์ได้ท่านที่ว่าเป็นเป็นฮีโร่คือมาทีนี้ถ้าเราปล่อยให้สมุทัยมันมาพันใ น, นใใหัวใจของเรานึกนึกนึกช้ำนึกโกรดนึกเดือดนึกตัณหาราคะขึ้นมาเราส่งเสริมให้กับมันเดี๋ยวสันึ่งมันไปสนองแล้วเรารู้เถอะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยที่คนเราเนี่ยทำงานเป็นหมู่เป็นกองเป็นสังคมอยู่ด้วยความพลุกคลิ้งกันผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงใครไม่มีความอดความทนสูงเนี่ยจะเสียกับสินข้อดี มันยั่วมันยุ่ดจนสู้มันไม่ได้แล้ต้องอ่อนใจนน ใ, หนหนให้กับมันบดไม่ได้ทนไม่ได้ลุกให้อั่นั่ให้กับมันอย่าบ้าแต่พวกเราเ่บบนี้เลยสมัยพุทธกาลนะ่ะเศรษฐีขังโลกไว้บนบนสาษษษชั้นเกศก็ยังขังไม่อยู่ยังขังไม่อยู่นะขโมยไปตามผู้ชายก็ได้ <c oughs> เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันรบแล้วจิตเวลามันเกิดความหนักเกิดความต้งสืง่นึกคิดมันจะปรุงเสริมแล้วเสริมดีเสริมแล้วเสริมดี มันจะเห็นเป็นรูปเป็นทางเป็นอะไรสะดวกสบายได้หมดโอ้เยอะเป็นส่วนเป็นวิมานทั้งเร่องหลงปั๊บเหมือนกับเราไม่ต่างอะไรกับเราไม่เราไม่ต่างอะไรกับปลามันงับเป็ดนั่นงับปั๊บขามันติดแล้วอ่เพราะในในเป็ดนั่นแหละมันเยื่อเยื่อที่เรางับนั้นแหะมันมีเป็ดเราไม่ตั้งใจจะงับเป็ดแต่เราตั้งใจจะงับยืดงับปั๊บเป็ดเกาปากจะแล้วเน่โอ้ยดิ้นจนปักฉี่ ปักชิงแล้วยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะขอเข้ามาตามดึงมาเลยปอกๆแน่อยู่ในเนื้อมือเขาแล้วอยู่ในเนื้อเนือมือของตัญหาราคค์เแล้วเราพยายามสังเกตุการณ์สองอย่างนี้เพื่อเป็นแนวแถวเตรียมทียบริการถือธรรมพระพุธทธธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกรุยหมายป้ายทางให้เราได้มาสังเกตสการณ์ยอดดูใจของตัวเองนี่เราพูดวนไปถึงกรารสุขาริการนโยอัตติธรมปานโยแล้วก็พูดไปถึง อริยมรดยิบอมไปทางปฏิบัติเพื่อไปไปสู่ทางสายทีกเพราะฉะนั้นเวลาพราะองค์มาสแสดงสุสุปองค์จึงแสดงมาที่หลักของมหาสติตปฐฐานไปดูในหลักมหาสติปปฐฐานทุกที่จะมาสุขไว้หมดอยู่ในนั้นมีครบวงจรอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสมถะแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิปัสสน า, านแบบไหนมีอยู่ในนั้นหมดพราะจึงเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเท้าของฌาน รอยเท้าของช้างเนี่ยมันใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกๆชนเผ่ในป่าใหญ่กว่ารอยเพราะฉะนั้นบทสุปของมหาสนิปฐานพระองค์จึงทรงแสดงมาที่อารมณ์ของกรรมฐานอเอากายตามรูป ก, กายตามพิจารณากายสัตก็ว่าเป็นกายเอาสติเป็นพื้นเป็นบ่าเป็นฐานตามพิจารณาเวทนาเพราะว่าทั้งกายทั้เวทนานตัณหาไม่จะแทรกเข้ามาทั้งกิน อย่าร้อนมโนที่จิตพิจารณาจิตเพราะตัญหาจะแทรกเข้ามาทางจิตแล้วก็แทรกเข้ามาทางธรรมกายเวทนาจิตธรรมแต่เวลาเราทำหมดไดหมดหนึ่งตามตามที่เราทำนั้นนะไม่จะถึงกันหมดไม่จะทำอันหนึ่งแล้วยังเหลือหนึ่งทำอันหนึ่งแล้วยังเหลืออหนึ่งเราพยายามทำเราดูมาเวลาจิตมันอยู่เวลาจิตมันหมุนมันจะสะประสานกันหมดในนั้นทำอันไหนทุรุกติกันทำอันไหนทุรุกึงกันหมดที่พระองค์ทรงจับหรือจับให้ครับวงจรของมัน มันจะพาดพิงมาที่กายมันจะพาดพิงมาที่เวทนาเวทนาคือความดีใจความเสียใจความเฉยเฉยหรือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่คือตัวเวทนาแท้ที่จริงเราไปพิจารณาตามหลักเวทนาที่ท่านพูดไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทเวทนาตัวนี้เป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่เกิดของกิเลสเป็นที่เกิดของบุญเป็นที่เกิดของของบาปอยู่ตรงนี้เป็นจิตเป็นปอบกระแทงสุขเป็นปอบกระแทงทุกข์ มีอยู่สองหน้าแคนีเองไม่ดีก็ชั่วไม่สุขก็ทุกข์ไม่บุญก็บาปไม่ง้อก็ฉลาดท่านพิจารณามาถึงตรงนี้ท่านเห็นว่าเวทนาจึงเป็นสูวนรวมแห่งธรรมเราจะได้รัทไดธรรมเราจะฉลาดเราจะรอบรู้เราจะได้รับความสวา่างเราจะได้รับความสว่างจากตรงนี้โดยการเจรินสติเอาสติมากำหนดหย่อน่อที่เวทนาเราจอเวทนาปั๊บมันก็ถึงใจ เราจ่อกายปั๊บมันก็ถึงใหญ่และกับท่านไม่ให้คลาดที่จะมาพิจารณาที่จิตด้วยเพราะจิตอัตถามันจะคอยแทรกเข้ามาที่จิตยินดีปั๊บตัณหามันก็มันดึงรับไปแล้วยินร้ายปั๊บตัณหามันเกามันดึงกลับไปแล้วนี่ตัวเวทนาจึงเป็นเป็นตัวที่เราคอยกำหนดจดจ่อคอยสํารวจระมัระวังในในท่าของการต่อสู้แต่เราต้องมีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาาเป็นทางเพราะสมาธินั้นเป็นกําลัง ใบจารึกจึงให้เราเจริญทางสมถะทั้งวิปัสสนาสลับกันไปช่วงไหนเจริญสมถะเจริญ้นรรจิตในรักความสงบดึกละเอียดขั้นไหนขั้นวิตกวิจารณหรือขั้นปีติสุขหรือขั้นสุขเอากกตาหรือขั้นอุเบกขาเอากกตตาละเอียดดึกเข้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะเข้าสู่ความสงบให้เต็มที่พอเวลาจิตผ่อนลงมาเป็นจิตปกติธรรมดาท่านให้พิจารณาท่านให้พิจารณาอย่างนี้ เป็นเป็นการพิจารณาเป็นวิปัสนาวิปัสนาก็คือสงบอย่างเดียวที่เรียกว่าสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยที่เรียกว่าวิปัสนาพิจารณาชอนชัยหาเมื่อนห า, หางําหาความปรมาความฉลาด<ม><ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจับเวทนามากําหนดจดจ่ดจอมาพิจารณาสุขเวทนาเอาสติของเราไปกําหนดจดจ่ดจออยู่กับผู้รู้หนึ่งเดียวสุขเวทนาก็ไม่ไม่มีอํานาจครอบงำจิตเราได้นะ ทุกเวทนาไม่สามารถครอบงาจิตเราได้ปริญัตญาณท่านเข้าถึงตรงนี้ทุกครอบงาจิตท่านไม่ได้สุขครอบงาจิตของท่านไม่ได้สักแต่ว่าเวทนาเวทนาดีใจเสียใจมี้กข้าเท่ากันอันอนตุกรมสุขเท่ากันคือมันเป็นตัวแปรมันเป็นเกณฑ์ของความความรู้มันเป็นเกณฑ์ของการสัมผัสคําว่าเกณฑ์ก็คือเวลามันไปกระทบกันแล้วมันจะมปลี่ยนนิสัยมาทีนี้ถ้าหาเราวังไม่ได้ ปัญหาใหม่เกิดเกิดตรงนี้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดภพเกิดโทษขึ้นมาอีกตัณหาใหม่มันเกิดตัญหาก่ามันสุกกำมันแลแต่มันมีที่ต่อคอนคือตรงนี้มีสําคัญนะอันนี้เท่ากับเป็นยอดของมหาสิปกฏฐานซึ่งสุกมาให้พวกเราฟังแล้วย่อไปดูให้เข้าใจเราจะได้แนวปฏิบัติตรงแน่วตรงแนวถ้าจะมีภูมิรู้ เป็นภูมินี้มิดเป็นภูมิรู้นุ่รู้นี้ไปอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่กรินีสัยของเราถึงเราจะมีอย่า ง, งานั้นก็ตามแต่ถ้าเราทิ้งตรงนี้เราก็ไปไม่ได้<ะ>ถ้าเราทิ้งตรงนี้เราไปตามภูมิที่เรามีที่เราเป็นอยู่อย่างนั้นบางทีเราไปผิดทางกันโอกาสเสี่ยงที่เราจะผิดทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทางสายากลางเป็นทางตรงทีเดียวเรามาตรงนี้แล้วเนีแนวพัฒน์ข้อปฏิบัติเ พ, พ, u, พ, u, พ u, ื่อเกิดความสงบเพื่อเกิดความรอบรู้เพื่อเกิดความสุขเพื่อเกิดความรอบรู้ ร, รับรู้ปล่อยละได้เป็นวางเป็นวางละวางได้เป็นปลอกเป็นปลอกเป็นปลอกเป็นนิโรธนะด้วยที่เราเจริญต่างมาปัญญาต้องเด่นสมาธิต้องมาต้องการจํารอบใจของเราออกจากการมใจของเราจะต้องสงบอยู่กับบททำบทหนึ่งจิตของเราจะได้รับความสงบนั่นคืจิตมีสมาธิจิตออกจากการมจิตทางจากการมตราบใดที่มีการมเต็มแพร่อ ย, อยู่ไปไประเด็นไหนเดียวกกมหนึ่งเราหลุไปแล้ว ไปสรุปแลไปสับเป็นเขียงแล้วไปสับบนเขียงแล้วกามันดึงระบาเพราะฉะนั้นท่านว่าพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดอีกท่านจึงไม่มาเกิดพระสบดับพันยังมาพระสีทศชายังลงมาเกิดในโลกมนุษยพระอนาคามีไม่เกิดตัดขาดเยื่อใหญ่จากกามคุณทั้งหลร่ทั้งปวงหมดแล้วท่านไม่มาเกิดอีกในโลกมนุษยท่านพัฒนาของท่านไปเรื่อยๆพระอนาคามีอวิหาตะปาสุตันสาสุสัสสีอติิษฐา เป็นพี่ไม่เป็นน้องรองใครอะไรหนึ่คติฐาอคติฐานพรถ้าเราจะเทียบกับผลไม้หรือมะผลไม้ที่สุกงอมทูกคนขยับก็ตามไม่ทุกคนขยัาก็ตดำล้มก็ตาม่ล้มก็ตาม ม, ตา ม, มันหมดย่างเหนียวจยูตรงที่ขั่วลนตกลงนี่คือพระอนาคามีไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษอีกการที่เรามาปัจจัยโลกมนยังมีเยื่อใหญ่พระโสดาฟันนี่ยังยังมีความเกี่ยวข้องฝูฟันกับเรื่องกรมแต่จิตได้หลักได้เกณฑ์แล้ว ยังเป็นการต่อสู้กันจนสามารถบันเทาความโกรธได้บันเทารักปรำตัญหาได้มีก็เป็นอีกขั้นหนึ่งจนสามารถรู้เห็นโทษเห็นภัยของการมรรคาเต็มที่ปล่อยฮะกวางได้หมดเราฟังดูวิสาหกเสด็จถี่ไปฟังเทศกุศลจาจนได้เป็นพระอนาคามไปก็ไปบอกเรืลิกกำนันธรรมธินาธนิซึ่งเป็นเมียท่านเสด็จถี่นะอา น, นั้นก็ให้เธออยากได้อะไรก็เอาไปอานังก็เธอเอาไปอันนี้นเธอเอาไป ต่อไปนี้เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันดังคนดังอยู่นา ง, งธรรมทินานารุ่งถังพวกคุณเสียฐีนี่คงไปได้ัได้ไดไดทำมาผ่านพ้นอำนาจของกามเท่าไรตัวเหล่านี้ได้นานไม่ยอนขอบวชก่อนไปบวชก่อนตั้งใจภาวนาไม่นานได้เป็นพระอาหารย์ก่อนแน่ เ, <c ười> เคยอ่านตั้งนานและเคยอ่านตั้งนานแล้วพร ะ, ะวิสาขเสียฐีกับนางธรรมทินนาร พอนางธรรมทินาเขากลับมาครับเขารู้เขาแตกฌานเกี่ยวกับเรื่องอ่เรื่องทำเรื่องชาเรื่องอะไรอะไรโอ้ยมาตอบโต้กันไปดูสนุกมากเลยไปหามาดูในายก็ใจกระดกมีเนะลยเราเคยอ่านตั้งนานแล้วแหละพอตอนหลังมาเราเข้ามา ล, ลึกเข้าโครได้เราก็พยายามดึงมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องชัดเจนว่าคราววาดเราเนี่ยเราอยู่บ้านเราสามารถทําใจของเราให้หมดกามได้ใจสงบระงับจากกามถ้าหาวยังมีการผูกพันอยู่จิตไม่ไปหน้ามาหลังแหละ แต่ถ้ารสะบ บ, สบบระงับเครื่องของกาลเหมือนกับไม้แห้งไม่มียาไม่มีความสดแล้วก็ไม่ได้แช่อยู่ในน้ำมีโอกาสที่จะเป็นเปลวไฟในการตั้งตั้งใจบําเพลีนเพียรวิริยะอุตสาหะขนาดไหนก็ตางโอกาสที่จะได้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องยาทัศนะความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องธรมรมร ม, ร ม, ร ม, รมันมีโอกา ส, า ก, าสกว่าถ้าหากไม่มาถึงตรงนี้โอ้ไปหน้าจิตหลังไปหลังจิตหน้าไปไม่รอด ไปไม่รอบอำนาจของกางมันยิ่งใหญ่มากเราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโลกของกางครับมันเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนดิออนมาดูสถิตของเราเราดูสิ่รู้หมดรู้หมดรู้หม ด, หมดออบางคนเนี่ยเต็ ก, กำลังยิ่มากกว่าเหนือกว่ากดไม่ได้พิทจนได้กดไม่ได้พิทจนได้อเราดูเถอะมันมีตัวอย่างให้เราดูมากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะไปได้เราจะจำรองตาบอกอย่างใจของเราเราอยู่บ้านนั่นแหละ ถึงเวลาฟัดสามีปริยาก็นั่งภาวนาตอนสำลุบห้องเธอก็นั่งมุงนะั้นเราก็เดินนั่งหรือภริยาอยู่บ้านสามีไปวัดต่างคนต่างภาวนาหรือถึงคราวภริยาไปวัดสามีอยู่บ้านต่างคนต่างภาวนาถึงคราวเราจะบริโภคการบางก็ไม่เป็นไรขออยู่ในองค์ศีลไม่ไม่ผิดศีลนะเรื่องของการนั้น ถ, ถือว่าเป็นเรื่องของไฟถ้าไฟยังอยู่ในเตาทัานว่าได้ประโยชน์ครูบาอาจารย์ท่านชอบธมาเทียบว่าเราบริโภคการ เหมือนไฟในเตาผู้บริโภคตามตามอำนาจของสินห้าเหมือนไฟอยู่ในเตามันได้ประโยชน์ใช้หงใช้นึ่งใช้ปิ้งใช้ต้มใช้อะไรตัวอะไรได้แต่ถ้าเอาเอาอกนอกเตาสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีไม่ไม่จิดไม่ใจไม่หัวใจไม่บ้านไม่เรือนถ้าเป็นไฟออกนอกเตาแบบไม่ก็ทั่งบ้านกระทั่งช่องไม่ปา่าไม่ลมไม่ไม่มีเหลือหล่ะนี่ท่านจึงพูดถึงโทษของ ้องการผิดศีลข้อ3สามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีสมมติอย่างต่างคนต่างออกนอกใหญ่สามีออกนอกใหญ่ภรรยาท่านถือว่าสามีเนี่ยเอาสมบัติของภรรยาไปบังลุงบังเรอคนอื่นโอ้โหโ่มากมากหรือไม่มาระล้รู้คู่กรณีกันก็แล้วกันภรรยานอกใจสามีถือว่าภรรยาเอาสมบัติขโมยสมบัติของสามีไปบังลุงบังเรอคนอื่น เราฟังดูแล้วหัวใจของคนที่มีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่มีจิตใจอย่ฟังไม่ได้ก็ถือหัวใจอยู่นั่นแหละฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้มันยากขนาดไหนเรามาฟังดูเถอะครูบาอาจารย์เออเรายัางถือศีลห้าอยู่เราตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอยู่บางครั้งบางคราวเราก็ลุ้นน้ำนาให้กับมันอ้ามแต่อยู่ในกรอบของเราไม่ผิดศีลเพราะการไม่ผิดศีลห้าเนี่ยท่าไม่อ้ามักห้ามผลห้ามสอนห้ามไม่ผ่านนะ แต่ถ้าไม่มีศีลหา้าเป็นรองพื้นรองบาดเลยดีไม่ดีเหลือไม่เท่าเดิมหมายว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่มีเวลาพอที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เหลือไม่เท่าเถิมไปเป็นสังหารป่าบางที่ไปนตนงนรกหมกไม่หรือขนาดไหนก็นไม่รู้แหละนรกทองแดงกระทะทองแดงนะกระทะน้ํากรดกระทะอะไรอะไรก็แล้วแตเ่เพราะเรื่องของกรรมนั้นมันจะให้คนแต่ลกินใจ ที่ท่า น, นไปได้รูปร่างอยู่ในยมโลกนั่นแหละคือร่างของกิเลสที่เต็มเปื้อยู่ในหัวใจร่างของตันหาุปาทานที่มันยึดมั่นถึงมั่นอยู่ในหัวใจนะรูปร่างกลางตัวที่ประกอบไปด้วยดินน่น้ำลไฟไม่มีมีแต่เวียนญาตแต่อํานาจความยึดถือเนี่ยทำให้ท่านต้องได้รับความทุกข์ทรมานตามทุกตามโทษตามมากตามน้อยเหมือนอย่างรดน้ำกรดเนี่ยพอลงไปปั๊บละลายหมด แล้วก็ก่อตัวเป็นตัวขึ้นมาอีกตบแล้วไปอีกแล้ยแล้วพลอขึ้นมาก่อตัวขึ้นอีกเลยตบแล้วไปอีกและวลายนำ้ำกรดละลายไั้งหมเมืม่อยาปพระเทวทัตเขาบอกว่าไฟรู้ไหทั้งสี่ทิศนั้นตัวเขาท่นเหแดงรูอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่ถ่ายคืออะไรคือขอให้ได้รับผลสาสะสมกับโทษของกรรมสินลงลม้มเหลวสินลงลม้มเหลวทำเพราะฉะนั้นการมีสินกรรมีธรรมไม่เฉลี่เล็กน้อย ท่าต่หลายพูดมาเป็นกรุยหมายป้ายทางวันนี้พวกเราบําเพ็ญกุศลครูบาอาจารย <c oughs> ์แล้วก็ฟังข้ออัดข้อธรรมได้ยกเรื่องกองสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังเหตุแห่งอันนี้อางทุกขังอนัตตาก็หมาดตรงนี้แต่ถ้าหากไม่มีกองสังขารทีไรเมื่อไหรอันนี้อยางทุกขงังอนัตตาเอื้อมมือไม่ถึง คือจิตที่บริสุทธิ์มีสิ่งหนึ่งเดียวที่อั น, นิีจางทุกขังอนั้นตัดเกื้อไม่ถึงคือจิต ท, ที่ชำระล้างสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกแต่เป็นจิตของพวกเรานั้นเป็นจิต ท, ที่เป็นสองกับกิเลสตัณหาตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันเป็นกองสังขารทำให้เราเปลี่ยนผูเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผูเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผู้เปี่นผูเปลี่ยนผู้เปลนผเป็นผู้ไม่จบไม่สิ้นพระจิต หนึ่งเดียวของพระพุทธเจ้าเหลือแต่ธาตรู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่หมดไม่จากโลกเพราะธานรู้ที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ไม่ได้เอาของใหม่ในมากเกิดเอาของเก่าที่มีอยู่ในโลกมาเกิดถาดดินน้ำลงไฟก็เป็นของที่มีอยู่ดังเดิมในโลกมาเกิดเวลาถึงการถึงคราวที่เราต้องแตกต้องสลายไปดินน้ำลงไฟก็ไปเป็นของเดิมของเขาแต่ผู้รู้ไม่ตายผู้รู้ไม่ตายแต่ว่า อของสังขารเหล่านั้นเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิให้ขึนน้นที่สวยขึ้นที่ตามที่หยาบที่ละเอียดเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่จบต่อเมื่อชักล้างสิ่งที่ปลเพื่อนมากับกิถได้หมดจดเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวผู้รู้หนึ่งเดียวแล้ยังมีอยู่นะเราไปดูที่มหาปรินิพพานาสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านทำมหาปรินิพพานาการรมให้พระสงฆ์สาวกดูพระอนุรุทธท่านนั่งมองดูคอยดูเพราะท่านเป็นที่ปรจักษสูงเนี่ยพุทธเจ้าท่านเอาพระจิตที่บริสุทธิ์ของเราในเข้า ขาวชาติที่1ที <weather> ่2ที <dripping> <water> <101 centre> ่3ที่4เข้าวอรุ๊ปปิชาติที่1ที่2ที่3ที่4ในขณะที่อยู่ในองคายเงมองเห็นแต่ถ้าหากไม่อยู่ในองคายเงมองไม่เห็นไปประทับในสัญญาเวทีตานิโรธก็มองเห็นเพราะทั้งรูปปิชาติรูปปิชาสัญญาเวทียานิโรธเป็นวิหารธรรมที่ฝึกฝนฟอบรมได้หลงตาท่านเรียกว่าสมุดสมมุตดจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมุติพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รูปสมบัติรูปสมบัติไม่ใช่เวทไม่ใช่สัญญาเวทียานิโรธ คือจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวพอเวลาท่านถอยลงมาแล้วจะเข้าไปใหม่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากชั้นที่สี่อรูปฌานท่านก็ไม่เข้ารูปฌานท่านก็ไม่อยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นมองไม่เห็นพระจิต ท, ที่บริสุทธิ์ของพระองค์เพราะไม่ได้พาดผิดสมมุติผู้ดได้อย่างเดียวว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วนี่ยังมีเหลืออยู่ไหมยังมีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราพุทธังธรรมังสังฆังสนานากามิจอย่าทําเล่น บูชาทำพัดตวจมนอะไรอะไรก็เทือนถึงพระองค์พระองค์จึงพูดเป็นในให้พวกเราได้ยินในฝังว่าผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราคูนั้นเห็นธรรมเราเริ่มเจริญสมาธิเริ่มเจริญปัญญามีความภูมิรู้ภูมิสามารถละเอียดลึกไปเท่าไหร่เราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจา้าจนจิต บ, บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็ ม, มงองนี่เราพูดอย่างนี้พวกเราว่ได้กำลังใจโอ้เรายังอยู่เพราะถ้ารู้นั่นนะไม่ตายจิตไม่ตาย แต่หากเปลี่ยนไปตามผูกหรือพบผูกของกรรมวันนี้คิดว่าจะพูดน้อ ย, อยเป็นเวลาถึงหนึ่งชัง่วโมงนะพอสมควรเก็บเวลาถนุงเวลาของเพื่อนหมดไปเยอะแยะเลยนะเพื่อพูดคุยธรรมะสู่พวกเราทั้งหลายฟังแต่ถ้าทั้งหัวทั้งใจฟังภาวนาใจได้รับความสงบไปด้วยจนมาถึงตอนนี้ท่านทั้งหลายจะได้รั บ, รบความผ่องใสในหัวใจอันนี้เป็นอ น, นิสงส์ของการฟัง ไม่ใช sure right? uh, uh, ่เราสั <laughed> ่งแคว่า like ฟังนั้ะบางทีเออเททิ้งห้านาทียีสิบนาทีุงข้าวต้มแก่มันยังไม่ออกรสออกชาเลยยังไม่เชื่อไปลองต้องลองดูสิอ่อ่าไปต้องเผือกมาดูสิห้นาทียีสนาทีกินไม่ได้ดอกกินไม่ได้รสชาติของธรรมะก็เช่นเดียวกันเนื้อหาสาระมันมากหามันพันกันอยู่ถ้าถ้าเราจับได้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เราพยายามพูด เพื่อความเกี่ยวข้องพวกอเอามาถือเป็นข้อพิสูจเป็นข้อปฏิบัติดังอธิบายมาพอสมควรเก่บเวลาทำยังไงพวกเราจะได้เข้ามาเตสร้างอุปสโมสุโขคือสงบระงับดับกองสังขารได้การที่สงบระงับดับกองสังขารได้นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งท่านว่าเตสร้างอุปสโมสุโขสุขอืขอขออ่นยิ่งกว่าความสงบระงับดับสังขารได้ไม่มีอย่างผูเผยถ้าเผื่อท่านจํำละ ผู้รู้ของท่านให้พอที่สุดหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วท่านก็ไม่ต้องมีบองทัศนขาาท่านก็ไม่ต้องมีภพกนีชาติต่อไปแต่ธาตุขันต์ก็ละลายไปตามการไปตามเวลาคุณธรรมทั้งหลายทั้งปว ง, งที่ท่านตั้งปวตั้งใจทําจะเป็นคุณธรรมชั้นใดก็ตามเป็นปัจจัตต่างของท่านแต่พวกเราไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณของครูบาอาจารย์เคยมาตั้งใจรักษาศีลเคยมาตั้งใจฟังหัดฟังธรรม เคยพูดคุยทําให้เราได้ข้อคิดเป็นคติสอนใจทําให้เราเป็นผู้เป็นคนมีหน้ามีตาไม่เป็นจุมทั้งดุ่นเป็นสูงท้องก้อนอันนี้เป็นปุณเป็นคุณของครูบาอาจารย์เรารเคารพเทิดทูนบูชาไวเ้เถิดแล้วก็ถึงการถึงคราวที่ท่านดับขันละขันไปอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องช่วยจัดช่วยทําแต่การจัดการทําของพวกเรานั้นไม่สูุบลาตั้งหัวตั้งใจทํามีผลมีอานิสง์ สิลงทนายทั้งวกที่มีผลมีอนิสงส์อาศัยว่าผลอนิสงส์จากการที่เราทั้งต้องแยกธดีนี้จกอำนวยอวยชัยให้พอท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญโดยชุยนากันเอ ตงปฏิตงุมหังที่ประเมวสัมมิชตุกสเพปูเรตุสังกปาจันโภพนัรโสยัานิโชติรสโสยถะสพีติโยวิวัชันทุสโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิธีกายโภวะอภิวาทนสีลชนิจมุทธาปจายโนจัตตารโมาวัฒนติอายุปโนสุขังภาลัง จเจ้าปองก็เป็นเจ้าภาพสวนเหนาเทศเสร็จแล้วก็ยังไม่ไปเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้เท่ากันนะตอนนี้เสร็จแล้วลง